วันที่ 17 มกราคม 2532 แต่ว่า 13 มกราคม 2532 ขอโทษโทษ 4 มกราคม 2532 เดิม 4 บรรดาท่านพระ เมื่อพูดอย่างนี้บรรดาท่านผู้บริษัทย่อมสงสัยว่าการพยากรณ์ต่าง สำหรับเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททางด้านจริงๆทุกส่วนดีหมดเหลือ เวลานี้ถ้ารับท้องกระเบาคุณคุมจะเพาะภายในเรื่องทางๆเวลาประมาณเว 4:00 น. ถึง 3:00 น. จะมีอาการเครียดเป็นในตอนนี้แต่การที่รักษ์ มันถ่ายจริงแต่ก็ถ่ายไม่ 4 มกราคม 2532 คืนนั้นตอนเย็นค่ำคือตั้ง ร่างกายสุดโสมเดินไปก็สวนไปเสมอเห็นถ้าจะจับจะนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์นี่คําว่า ขณะที่ร่างกายมีทุกขเวทนาอย่างมากก็มีความรู้ ก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธเจ้าเองทรงบรรลุ ถ้าจะถามว่าเจ็บมั้ยก็ต้องตอบว่าเจ็บปวดมั้ยแล้วจับก็ปวดกลัวตายมั้ยถ้าใครจะมาฆ่าให้ตายนี่กลัวถ้ามันจะตายเองตัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายก็เตรียมตัวเพื่อตาย มันไม่มีอะไรสวยเป็นปกติคนก็ไม่สวยมีอะไรสวยเป็นปกติคนก็ไม่สวยคงคนคนก็ไม่มีความไม่คงทุกคน จึงตัดสินใจว่าการอยู่ตรงนี้เต็มด้วยทุกขเวทนาถอยออกจากร่างกายดีกว่าก็เลยถอยออกจากร่างกายอย่าลืมนะว่าส่วนใดของบทที่ 3 และบทที่ 2 สอนเค้าอื่นเค้าได้ตัว เพียงๆละ 2 องค์ท่านอยู่เป็น 28 กว่ากราบท่านก็คุย พระกตบว่าเธอน่ะมีสิทธิ์อยู่แน่แต่ว่าการเวลายังไม่ถึงขอถึงการเวลาก่อนก็แต่แทนคิดว่ามันจะไม่พัง งานข้างหน้ายังมีมากงานที่ให้ทํายังมีเยอะต้องทําเพื่อความสุขของบรรดา งานนี้เป็นงานของพระตะโกมเธอต้องรับภาระก็กราบเรียนบอกว่าภาระอันนี้รับมานานแล้วไม่เบื่อพร้อมที่จะทําแต่ขอให้ร่างกาย 2 อาการจะคลายตัวหลังจากวันที่ 16 เป็นแล้วจะคลายเรื่อยๆไป เรียกกันวิถีพิจารณามาก เขาไม่เยี่ยงความมุ่งหมายอันดับสุดท้ายเขาดีใจว่าลูกบ้างเยอะแยะทุกคน ไอ้มาถึงก็ประทับบนแท่นแท้เนี่ยไม่ พอเวลานี้มีคนบุคคลสําคัญที่เราจําเป็นต้องช่วยก็ ขอโทษดื่มน้ำแล้วก็ท่านกล่าวแล้วท่านก็รายงานบอกใครท่านบอกว่าเดี๋ยว <c oughs> คือการคิวบุคคลไหนเข้ามา 20 ปีเศษๆเป็นคนขาวโปร่งหน้าตาดีถ้าเดาๆ พอเข้ามาถึงแล้วเจ้า พระญาณยมท่านก็ถามท่านบอกว่าเธอน่ะเวลาตายไม่ได้นึกถึง <c oughs> เธอก็ประวัติว่าเป็นว่าเธอมีอายุ 23 ปีตั้งจะบวชพ่อกับแม่เตรียมเครื่องครบชุดแล้วอีก 2 วันจะถึงวันเข้าอุปสมบทเธอก็แน่ๆว่าจะบวชสัก <c oughs> 1 บรรสาเป็นอย่างน้อยหรือไม่เช่นก็ถึง 3 บรรสาถ้าสามารถบวชได้ตลอดก็บวชตลอดพ่อแม่ก็มีญาติแล้ว ทุจริตไว้น้อยก็หมายความกะไว้น้อยยึดตั้ง <c oughs> แต่ว่าก่อนจะตายจริงๆออกไปทางหลังบ้านไปเพื่อจะหาเพื่อนเวลานั้นถูกหูเห่ากัดหูเห่ากัดผิดมันแหล้งๆเข้าทางกายมันเจ็บปวดมากถึงจะบอกงั้น ในเมื่อมันมีจะปวดอย่างเดียวก็รักษาเท่าไหร่ก็ไม่ 4 คนนุ่งแดงห่มแดงเธอก็ชี้ไปที่เทวดา 4 องค์ก็เลยบอก พอถึงก็มารากการสับสนยุคนี้ได้บวชแต่วันนี้ผม 2 องค์ทั้งที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตัวอาตมานะ ที่มีความสําคัญมากในพระศาสนาเธอหันพระเธอหันไปกราบเธอได้กลับสาธุก็ยิ้ม การเข้ามาที่นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไปนรก ไปได้ทางกําลังบรรบนของเธอบรรดาท่านพุทธบริษัทพอพระญาณยมผู้นั้นร่าง <c oughs> พระอภิยัพก็นำถือรู้สึกแผ่ไปเป็นขบวนรีมอยของเธอกว้างใหญ่ไพศาลมากมีความสุขสดงานเป็นพิเศษหลัง แต่เขายังไม่ได้บวชอารมณ์นี้เป็นมหากุศลใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่กราบเรียนถามนะว่าอริสงฆ์การบรรพชาอุปสมบทกรรมภาชาเขาจะได้ไหมท่านก็ตอบ อาตมานี่สงสัยว่าคนมันยังไม่ได้บวชก็ได้ที่สงฆ์ประชาครบถ้วนเหมือนคนบวชใหม่ท่านบอกได้ครบ ถ้า 3 ปีดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะอยู่ตลอดชีวิตเขาตัดสินใจได้ขาดนี้ถือว่าบวชใจแล้วบวช ตนเป็นคนเป็นนางฟ้าทันทีนิพพานอยู่ทันทีสําหรับคนที่ตั้งใจจะบวชก็เป็นการบรรดาท่าน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 ว่าถึงแล้วพระญาณๆขาโปร่งรูปร่าง 4 ขวบออก ตายเมื่อวานนี้เองเพิ่งตายใหม่ๆอยู่ไม่ไกลนักท่านเล่าบอกว่ามีความสําคัญยังไงท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของพระท่านจะบรรยายก็เลยนําเด็กหญิงพวกนี้มาแล้วเด็กหญิงพวกนี้มาก็เข้าไปไหว้พระท่านเธอไหว้เรียบร้อยจริยาดีมากสงบเสงี่ยมเรียบร้อยก็ <c oughs> ร้องก็ไหว้เทวดาทั้งหลายหลังจากนั้นตะเด็ดคุณตาถามเด็ดเล็กคนนี้ว่าหนูเกิดที่ไหนเธอก็ตอบว่าเกิด <c oughs> อย่าบอกที่อยู่แน่นอนเราไม่ใช่พระมกคลานขอ หนูเคยไปเจริญกรรมฐานกับแม่พอเธอโคตรตอนนี้ก็ตกใจตอนนี้คือมันได้เห็นเป็นภาพเด็กเล็กๆอายุประมาณ <c oughs> 4 ปีถ้าทางสุภาพเรียบร้อยทํางานทุกสั่งทุกอย่างเรียบร้อยมากแต่ทุกอย่างที่ทําออกมาแล้วทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรต้องเกินกันอย่างที่ว่า <c oughs> ถ้าถามว่าเวลาหนูจะตายหนูคิดอะไรเธอบอกว่าเวลาก่อน <c oughs> ที่ก็จากร่างเสร็จลง มีความสุขพอสมควรแต่ไม่ ว่าไอ้หนูน้อยตัวเล็กๆเท่านี้ต่อไปเบื้องหน้าถือตรัสสนโยคได้รูปร่างหน้าตาถือก็สวยทรัพย์สมก็ดีแต่ว่าที่จะจําเป็นต้องตายนี้เพราะบุญช่วยให้ตายพอท่านตัด อริสงฆ์เต็มทรัพย์ในการตรัสสังโยชน์และประการที่ 2 คือขาดอธิษฐานบารมี กามะปิตาบันไดกรีย่อมไปที่ต้องตาต้องใจของคนฉะนั้นกามคุณสามารถจะเด็ดเยินเธอซึ่งจะไม่ห้ามจะไม่สามารถในโอกาสเข้าตัดสังโยชน์ได้เมื่อ ร่างกายเกิดเป็นเทวดาแล้วเป็นผมแล้วเป็นหนังฟ้าก็ตามมีโอกาสที่จะ เป็นต้นศาสนาตัวท่านอัมพยอัตมานะเป็นต้นศาสนาก็ท่านก็มารับพระอริยสาวกที่เป็นอรหันต์ก็มา บุญบารมีนี้จะส่งคุณให้เธอเป็นคนที่ไม่ประมาทจะ พ่อกับแม่ถวายแล้วเธอต้องถวายปิสสะเป็นส่วนตัวแล้วเด็กหญิงคนนี้ไม่ไกลนะก็เวลานั้นมีวันหนึ่งมีคนก็เกิดสงสัยในการเห็นนนเห็นนี่เห็นไม่เห็นสวรรค์นรกสงสัย ก็เลยเรียกเด็กคcessor่ imposing him to ask your own results to talk the question of your Aside from what you asked. wil you remind yourself what a foreign language? said your ProphetWasana as on stage, I would say to you, Анд ele Tro welcheikka yang he said, uh the conditions that are you the exact surface, unless it can be gotten ready for theаль disconnected state, he would not be able to change that way to Ayisa atheyaink. い and Remi Das Владafirato may we can not be aurer and would to support the ที่เรียนกล่าวมาแล้วนี่เป็นประโยชน์